เมื่อปลายปีพุทธศักราช2519ผมป่วยเป็นไข้มาลาเรียนอนรักษาตัวอยู่ในหอพักที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาปีที่3หรืออีกเพียงปีเดียวก็จะจบการศึกษาเป็นไข้มาลาเรียคราวนั้นค่อนข้างรุนแรงน้ำหนักตัวลดลงไปเกือบ10กิโลกรัมผอมเหมือนโครงกระดูกเดินได้นอนจับไข้หนาวสัน่นอาการเช่นนี้เกิดขึ้นวันเว้นวัน บางทีกำลังอยู่ในห้องเรียนก็เกิดหนาวสั่นขึ้นมาต้องขอกลับมานอนกลางคันได้รับความทุกข์ทรมานและได้รู้ฤทธิ์ของไข้ป่าก็คราวนั้นเองตอนที่ผมอาการหนักนอนอยู่ที่หอพักเพื่อนร่วมห้องบอกว่ากลางคืนผมจะนอนละเมอเพิรอะไรต่างๆน า, นาบางครั้งก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องกลางดึกเพื่อนๆต้องมาดึงตัวเอาไว้ จนต่อมาพวกเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยกันก็ต้องล็อกประตูห้องในตอนกลางคืนเพราะกลัวว่าผมจะละเมอเดินออกไปไหนต่อไหนคนเดียวก็นับว่าแปลกดีเพราะว่าผมเองพอตื่นนอนตอนเช้าก็จำอะไรไม่ได้สักนิดเดียวว่าตัวเองทำแบบนั้นทีแรกก็นึกว่าพวกนั้นแกล้งล้อผมเล่นแต่เมื่อยือนยันกันหลายคนเข้าผมก็ต้องเชื่อว่าตัวเองทาอย่างที่เขาว่ากันจริงๆมีอยู่วันหนึ่งเกิดเรื่องแปลกขึ้น คืนนั้นผมเข้านอนด้วยความอ่อนเพลียเพราะว่าผิดไข้ที่เพิ่งจู่จมในตอนหัวค่าตอนใกล้รุ่งผมฝันว่าเข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งมีทางเดินเป็นพื้นซีเมนแคบๆมีคนอยู่ที่นั่นมากมายทั้งผู้หญิงผู้ชายราวกับจะรอคอยอะไรสักอย่างสักพักหนึ่งก็เห็นพระแก่ๆรูปหนึ่งถือไม้เท้ายาวๆเดินกระยองกระแยงมาตามทางเดินซีเมนแคบๆนั้น พอพระผ่านมาทุกคนก็พากันกราบลงกับพื้นหลวงปู่รูปนั้นเดินมาหยุดยืนอยู่ตรงที่ผมนั่งผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมองท่านผมยังจําได้ดีว่าใบหน้าของท่านผ่องใสดวงตาที่มองมายังผมด้วยความเมตตานั้นสดใสเป็นประกายราวกับดวงตาของเด็กๆไม่ได้เป็นสีตาน้ำข้าวเหมือนตาคนแก่ที่ผมเคยเห็นหลวงปู่ยืนยิ้มอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินต่อไป ถึงตรงนี้ผมก็ตื่นนอนรู้สึกแข็งแรงดีกว่าเมื่อคืนก็นึกแปลกใจว่าวันนี้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนซึ่งปกติแล้วผมเป็นคนนอนไม่ค่อยฝันถึงฝันก็มีบ้างแต่ก็จำได้กระท่อนกระแท่นโดยมากตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมหมดไม่เคยจำได้ชัดเจนแจ่มใสเหมือนที่ฝันในคราวนี้ผู้ใหญ่เคยบอกว่าถ้าฝันตอนหัวค่าเป็นฝันที่เกิดจากธาตุตัวของเราไม่ปกติ อาจจะเป็นเพราะอาหารไม่ย่อยหรือเลือดลมกำเริบถ้าฝันตอนดึกมักจะเป็นฝันที่เกิดจากวิญญาณหรือพูดผีพิศาตมาทําให้ฝันไปด้วยประการต่างๆจะดีหรือร้ายก็สุดแท้แล้วแต่หากเป็นความฝันตอนใกล้รุง่งเป็นฝันที่เกิดจากเทวดาหรือที่เรียกกันว่าเทพนิมิตซึ่งมักจะเป็นความจริงหรือบอกสิ่งที่ดีงามวันนั้นราวหกโมงเช้าก็มีเพื่อนรุ่นพี่ชอบพอกันกับผมดีแวะมาเยี่ยมตอนนั้น เพื่อนคนนี้เรียนจบและไปทำงานที่กรุงเทพแล้วขึ้นมาทำธุระที่เชียงใหม่หลังจากพูดคุยกันสักพักนึงก็ถามว่าเอ็งมีพระห้อยคอหรือยังเดี๋ยวพี่ให้เอ็งองค์หนึ่งก็แล้วกันพูดพลางลวงเอาสร้อยที่สวมอยู่ปลดจากพระพวงส่งให้ผมองค์หนึ่งเป็นเหรียญพระเลี่ยมด้วยพลาสติกอา้าวสร้อยไม่ให้ด้วยหรอครับผมแกล้งหยอดเพราะเห็นสร้อยทองเส้นโตที่คล้องพระเป็นพวง ซอยไม่ให้เว้ยมีอยู่กับเขาเส้นเดียวเนี่ยจะมาเอาทำไมผมรับพระมาพร้อมกับกล่าวขอบคุณในความปรารถนาดีพอพิจารณาดูก็เห็นเป็นรูปพระพยายามอ่านตัวหนังสือที่เขียนไว้ข้างหลังก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือเล็กมากถามเพื่อนรุ่นพี่คนนั้นว่าหลวงพ่ออะไรก็ได้ความว่าเป็นหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังเองไม่เคยได้ยินหรือท่านกาลังดังมากเลยนะใครๆก็แห่ไปกราบท่าน เนี่ยเหรียญรุ่นนี้เขาสร้างมาเรียกว่ารุ่นเราสู้เขาหากันมากเลยนะเก็บไว้ให้ดีๆล่ะผมไม่ได้ถามต่อว่าทำไมถึงเรียกว่ารุ่นเราสู้แต่ก็รับไว้ด้วยความขอบคุณต่อมาอีกหลายเดือนผมหายสนิทดีแล้ววันหนึ่งผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชวนให้ไปกราบหลวงปู่แหวนที่วัดวัดดอยแม่ปังอยู่ในเขตอาเภอรพร้าวซึ่งอยู่ไกลาจากตัวเมืองเชียงใหม่มาก ถนนหนทางสมัยนั้นก็ยังไม่ดีต้องใช้เวลาเดินทางนานนับชั่วโมงคณะของเราออกจากเชียงใหม่ตั้งแต่เช้ามืดพอไปถึงวัดก็ปรากฏว่ามีผู้คนจำนวนมากไปคอยนมัสการหลวงปู่แหวนส่วนมากเตรียมอาหารไปใส่บาตรด้วยพวกเราไปยืนคอยอยู่กับเขาราวเจ็ดโมงเช้าหลวงปู่ก็เดินมาจากกุฏิท่านทุกคนพากันนั่งลงกราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดดอยไม่ปังตอนเช้าวันนั้น มันเหมือนกับที่ผมเห็นในความฝันเมื่อหลายเดือนก่อนอย่างไม่มีผิดเพี้ยนไม่ว่าจะเป็นทางเดินซีเมนแคบๆท่าทางเดินของหลวงปู่หรือใบหน้าที่อิ่มเ อ, อิบเยือกเย็นและที่สำคัญคือท่านเดินมาหยุดยืนอยู่ตรงที่ผมนั่งกราบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินต่อไปผมขนลุกซาบซ่านไปทั้งตัวใครจะว่าผมฝันละเมอเ พ, อพ้อพกด้วยผิดคาดหรืออย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่ฝันเมื่อหลายเดือนก่อนนี้มันได้เกิดขึ้นจริง ตอนนั้นผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลวงปู่ท่านเป็นใครนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้สัมผัสกับหลวงปู่แหวนสุจินโนพระสุปฏิปันโนแห่งวัดดอยแม่ปังอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ราวกลางปีพุทธศักราช2520ผมเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นผมมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งรถคันนั้นเก่ามากเครื่องส่มเต็มทีวิ่งทางไกลมักจะเกิดปัญหา เวลาวิ่งในหน้าหนาวลมจากข้างนอกรถแทรกเข้ามาทางประตูทั้งสองทางเพราะว่ายางกันลมเสื่อมสภาพหมดแล้วผมจึงหาทางขายรถคันนั้นผมพยายามขายอยู่นานก็ไม่เป็นผลจนต้องลดราคาลงแล้วก็ขายไปถูกๆเมื่อสามารถขายรถคันนั้นไปได้แล้วผมก็พยายามรวบรวมเงินที่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ไปซื้อรถมือสองมาคันหนึ่งรถคันที่ซื้อมาใหม่นี้เป็นรถแบบอเมริกันคันใหญ่ ซื้อรถคันนั้นมาได้สักสองวันคุณแม่ของเพื่อนคนหนึ่งจะเดินทางมาจากเมืองไทยเพื่อที่จะมาเยี่ยมเมืองที่เราอยู่นั้นไม่มีสนามบินต้องไปลงที่สนามบินแคนซัสซิตี้ซึ่งห่างไปตั้งร้อยกว่าไมล์ผมจึงอาสาขับรถคันที่เพิ่งซื้อมาใหม่ไปรับคุณแม่พร้อมกับเพื่อนเรากะว่าจะออกเดินทางกันแต่เช้าคืนก่อนหน้าที่จะออกเดินทางผมมีความรู้สึกแปลกๆคล้ายกับสังหรณ์ใจอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับรถยนต์คันที่ซื้อมาใหม่ แต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรไม่ค่อยจะดีนักเช้าวันเดินทางไม่ทราบว่ามีอะไรมาทำให้ผมระลึกถึงหลวงปู่แหวนสุจินโนผมหยิบเหรียญรูปท่านมาตรงหัวนอนขึ้นจบศีรษะแล้วก็นิมนต์ท่านใส่กร ะ, ะเป๋าเสื้อติดตัวไปด้วยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมวางเหรียญ น, นี้ไว้ตรงหัวนอนไม่เคยนำติดตัวไปไหนมาไหนตอนนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวของสหรัฐอากาศภายนอกหนาวจัด เรานั่งรถกันไปสี่คนใช้เส้นทางใหญ่จากเมืองเล็กๆที่เราเรียนหนังสืออยู่ขึ้นไปทางเหนือทางแคนซัสซิตี้ตอนนั้นไม่มีรถมากเพราะว่าเป็นตอนเช้าถนนก็เลยโล่งผมขับรถด้วยความเร็วราวเจิบไมล์ต่อชั่วโมงพ่อขับห่างจากเมืองที่เราอยู่มาได้ราวชั่วโมงนึงผมเห็นรถตำรวจจอดอยู่ริมทางจึงแตะเบรกชะลอความเร็ว พอรถชะลอลงก็สังเกตเห็นว่าตรงนั้นเป็นสะพานมีขอบสะพานตเตี้ยอยู่สองฟากถนนสะพานนี้หากไม่สังเกตก็จะไม่รู้เพราะว่าอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนนอันเป็นธรรมดาของสะพานตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์ในสหรัฐเมื่อเลยรถตำรวจเข้าเขตสะพานรถคันที่ผมขับก็เสียหลักออกนอกทางพุ่งชนขอบสะพานด้านข้างด้วยความแรงดังสนั่นวันไว ผมพยายามหักพวงมาลายัยแต่ก็ไม่สามารถบังคับรถได้กลับไปพุ่งชนขอบสะพานอีกด้านหนึ่งและพุ่งกลับมาชนขอบสะพานฝั่งตรงข้ามเพื่อนๆที่นั่งไปด้วยกัน ร, ร้องตะโกนด้วยความตกใจและเมื่อพุ่งชนขอบสะพานอยู่สองสามครั้งจนหมดกําลังก็หยุดสนิทพวกเราพากันนั่งตัวสั่นอยู่ในรถด้วยความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดสักพักหนึ่งเสียงตำรวจที่จอดรถอยู่หัวสะพานก็ประกาศผ่านลำโพงบนหลังคารถ ให้พวกเราลงจากรถทันทีเพราะหากมีรถบรรทุกหรือรถคันอื่นๆตามหลังมาด้วยความเร็วสูงพวกเราจะได้รับอันตรายพวกเรารีบลงจากรถที่พังยับไปทั้งคันต้องออกแรงผลักประตูด้านข้างที่เปิดแทบไม่ออกเพราะว่าแรงกระแทกจากการชนพอลงจากรถมาได้ก็ลื่นหกล้มกันก้นกระแทกเพราะว่าถนนตรงนั้นมีน้ําแข็งหนาราว 3-4 เซนติเมตรปกคลุมถนนอยู่ราวกับเคลือบไว้ด้วยน้ําแข็ง พวกเราลุกขึ้นได้ก็ค่อยๆกระย่องกระแย่งหลบเข้าข้างทางผมเห็นน้ำแข็งที่จับพื้นถนนก็เข้าใจว่าเหตุใดรถของเราจึงลื่นเสียหลักพอมองออกจากขอบสะพานลงไปก็ต้องเสียวสันหลังวาบเพราะว่าเบื้องล่างคือหุบเหวลึกเป็นร้อยเมตรเห็นลำธารและโขดหินอยู่ลิบๆมองกลับไปเห็นสภาพรถก็ต้องตกใจยิ่งขึ้นเพราะว่าด้านหน้ายุบเข้ามาเกือบครึ่งไม่ต้องสงสัยว่าเครื่องยนต์คงพังยับเยิน ด้านข้างก็ครูดกับขอบสะพานจนถลอกปอกเปิกตัวถังบางแห่งฉีกเห็นเหล็กสีขาวหน้าหวาดเสียววันนั้นถ้าผมชนขอบสะพานด้วยความเร็วขนาดตอนแรกคงจะพุ่งข้ามขอบสะพานเตี้ยๆลงไปอยู่ก้นเหวเรียบร้อยแล้วหรือถ้ามีรถบรรทุกหรือรถบัสวิ่งไล่หลังเรามาสักคันหนึ่งป่านนี้พวกเราคงถูกอัดก๊อบี้แบนอยู่ในรถและก็คงมีสภาพไม่ต่างกันกันกบอยู่ก้นเหวนัก วันนั้นเรานั่งรถตำรวจเข้าเมืองที่อยู่ใกลๆ้ๆเพื่อนคนนั้นต้องเช่ารถไปรับแม่ที่สนามบินให้ทันเวลาส่วนผมต้องไปหารถมาลากซากรถของเราไปฝากเก็บไว้ที่สำหรับฝากซากรถสองสวันต่อมาผมขายรถคันนั้นเป็นเศษเหล็กได้เงินมา30เหรียญที่จาได้แม่เพราะว่ายัางต้องควักกระเป๋าเป็นค่าฝากรถสามวันเกินกว่าจำนวนเงินที่ขายเศษ ร, รถยนต์ได้ด้วยซ้า ผมยกมือท่วมหัวนึกถึงเรียนหลวงปู่แหวนที่อาราธนาติดตัวไปในวันนั้นใครจะว่างมงายอย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลวงปู่ได้คุ้มครองพวกเราสี่คนบนรถให้แคล้วคลาดปลอดภยัยชนิดที่ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนผมคงโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากเหตุการณ์ครั้งนั้นใครจะว่าเป็นความโชคดีหรือความบังเอิญก็คงไม่ผิดสาหรับผมนั้นเชื่อว่าเช้าวันนั้นท่ามกลางความหนาวเย็นบนถนนหลวงกลางประเทศสหรัฐ ห่างไกลจากเมืองไทยนับพันนับหมื่นกิโลเมตรหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านได้เมตตาคุ้มครองเด็กนักเรียนไทยสี่คนให้รอดจากเงื้อมือของมัจจุราชทำให้ผมประจักษ์แจ้งแล้วว่าสังคานุภาพนั้นไม่มีประมาณโดยแท้